ยคือยะะไก <c oughs> ะทน ะ, ะนี่ังส <c oughs> นาไีนั่งมาบวปเลงตอืมมาะไก่ยทะเอานังตนีเเขียนังสิชื่อ่ลงพเขียนชื่อนี่นี่ความ อมแม่ม่บกนเียอปมนั่งกนอยู่ด้อหนยจังมือปสาลี้ยวไปล้วค่ะนั่งนิดๆคนผมลุงพอบอกให้ลุงกลนเพร่ามขึ้นเราบอกว่าไทลอกบกะบกจังเ่แล้วหนบกโกลกับบวหแล้วเหนบบก่เียงไกวนทุกคนเออ กวนนูดังใบวชค่ะมาเจอบอร์เพลแมกำลังเนอยูมั้งหลวงพ่อคผมเน่านเศร้าสุดเลยบุญสมคืออันนี้ใช่อามาทำสมาธิตัวทำกมนต์แบบทำสมาธิทบุญก่อนโดตรงนี้ละหับตาหร ดูลมเข้าลมออก อืมออ น, นี่ฝึกรู้ไว้ใช่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่รู้ไม่พาทรรมก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจถ้าเห็นสวรรค์ก็จะรู้ว่านรกคืออะไรโลกนี่คือนรกคนอยู่ในนรกโดยไม่เห็นสวรรค์พระพุทธเจ้าจึงให้ไปดูสวรรค์ ไปดูอยู่ที่ลม้มเห็นไหมละ่ะมีความรักบ่มีความโลภบ่เห็นแต่ลมสบายบ่ของเบาลมคือของเบาแต่มีถ้าของเบาก็ไปสวรรค์ได้ไปฟันิพานได้แต่ทีของหนักไปบ่ได้มีรักมีโลภนั่นมันหนักโล ก, กอยากได้มันก็นักใจมันก็นักกายแต่นักใจโ รักรักสวยรักงามมันก็รักแล้วมันก็นักใจทะเลาะกันขากันหึงกันก็เพาะค้อมหักกันตัวบัหาแต่งให้หักเมื่อเียที่ก็ไปไปบานแต่งโตแต่งผมแต่งเล็บแนวถอนขนก็มีแนวถอนเล็บก็มีวองปลอมโอ้ยแนวขางปลอมคนเนี่ยนาหัวถน แต่ละเครื่องของปลอมของกำจัดขนถาวอนยัดลาดป่นยัดลาดนี่สร้างบ้านได้ประเทศไทยจากหลังพวกนี้ซื้อที่ดินได้หน่อยไรบอรปุ่นนี่ก็จะเพิ่มเครื่องถอนดังเดียวดิมันจะค้นถอนอีกผู้ที่ไปถอนอีกผมตรงได้คน้นผมได้บัดแต่เครื่องแล้ว <c oughs> เครื่องหลอกลวง ตาค้าแงสื่อมาหลอกมาร่วงเปี่นป้อนจิเลศคดเห็นบ่พวกก็ไปเสืออัันน่ะเสือแต่ครือว่าเสือปพุตเจ้าเด็กโฉมมนุษย์สัพพติลาโพกันได้เกิดมาพบปพุธศาสนาเป็นราบเป็นประโเดี๋ยวเป็นลาบเป็ น, ปนบุญกุศลอนนันยิ่งใหญ่พรแห้งแล้วถือว่าเหตุเอาน้ำปพุตเจ้าของก็ขี่ไล่ผแล้วหาไปยังอ่ะ ลำรวยกับทะเลาะกันสวยงามกับทะเลาะกันนังมาเฮ็ดมาทำหาแต่เรื่องยุ่งเข้าใจว่าคนเราชอบยุง่งน่าฟังเสียงพว่าคุณตเจ้าของด้วยน่าฟังเกิเลยบุญมีข้อมูลไปใสก็ว่าไปวัดไปทำบุญหาดอกไม้ถูกเทียนก็ว่าไปทำบุญมันตันนก็ไปหาต้นหลงเนี่หลวงเขายังวิภาควิจาร์กันถามตั้งตัวเสมอนี่ถามพระมาแสดงคำตัว จุดทูตกจุดเทียนกับไม่จุดทูตกเทียนอะไรได้อนนี้สงเยอะอยตัอง <c oughs> มึงแก่ของเศ้าใครอยู่จุดทูตกเทียนมันเป็นโรคปอดบวมจุดทูตกปอดบวมเทียนก็บปวดบวมฟอมไม่อายอยู่ด้อายเทียนควนันเทียนต้องสือกสมมูอสมมือห่องน้ด่อยมึงรู้เป็นนังเสมอที่จุดตกเทียนนั่นละตัวมันก็ติบเตี้ยแบ มผมได้กินถูกก็คือผมนั่งสมาธิปฏิบัติคนแต่วลาเหตุเป็นนิสัยแบบบอลูถูกต้องเอาแต่แนี้ถูกใจมันตะลามขาดรู้ไไปใชกับไปพ่อแต่แนี้ยมูนี่เขารากบอยดับยาโจมไอ้แต่เขาเอามาเหตุทำมันหลงมันเสียหายดิคำอะไรกำนึงถึงความได้อยากำหนึงถึงความเสีย มันก็เสียจจตุปใจเสียประเภทนี้ของพระุธเจ้าไปอีกให้ลูกหลานหลงทางเที่วยวทางเวิร์งหึงหลายมันจะคำเมาต๊ปปวปากว่ามันจะสาคำทางจากพอไม่จะกไปทางรั่งติดเดินมันติมาเกิดพระพุทธศาสนามันเป็นของนายบอ๊อเดินเสียมไปเสียมไปของเวจะหมดอีกจะพันปีสองพันปีเป็นนี่จเพึ่งรู้วเป็นทั้งไดแต่เดี๋ยวนี้ <c oughs> เห็นว่าโลกภัยเย็บโลกภัยธรรมาชาติน้มถ่วงยุไสบอลถ่วมวมวันแรงก็แรงจิตตายค <c oughs> รบรลายปีของของโลกประเทศไทยผ <c oughs> ก็เห็นน้มถ่วมกอบนลอยเอ็ดสละข้าม <c oughs> เห็นแต่กุกมหม่ํำอูม่มกเขียดอยีตัวน <c> ว <oughs> ัดนำว่าเห็นแต่พระประธานขอมอญญุ่น อ, <c oughs> อ่ะหาอยู่น้ำ บางค่าน้อขอก็จนแล้ววันได้ตื่นท่านเตืนพวกท่านนำไปพัดไปใสแนบบุ๊ยังมันว่เป็นสิต้องพังลงไปเอ่อ <c oughs> น า, นาแข็งก้อนนำแข็งละลายหมดพวกนี้มันติดถ่ถวมหมดป่อโลกนี่โลกนี่มันอยู่เป็นเกาะอยู่เป็นอดปลดแปรได้นำหลายก็โลกก็ก้กอนที่ดินพวกนี้น <c oughs> อันละไหมดมานเลก็ทวมได้หมดแล้วเพราะนั้นาประมาทเรงสันต์เพออายุดีกินดีเส็ยได้ทําได้ก็ประมาทแต่ไ่าจะดีอยู่สบายเราไปจากเขาปฏิบัติจริยธรรมมันนี่มักผลนิพพานจังอยู่พระเจ้าไม่เอาไปด้วยรีบทำเอารีบดูรีบรู้รีเพนไม่รีบดูไม่รีบรู้ไม่รีเห็นมันยากที่ธามันชนคนธรรมดาจะทำแต่ยากที่พระจะมาสอนให้ทําบุญ พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อพระไม่เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อจริงแต่ข่าเราหรือว่าไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาไม่เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้านั่งคอยเหตุเหตุพระเบิ่งสมือเบิ่งสันเบิ่งพระสันทมบุญนั่นทมบุญคือเบิ่งลมขอยใจเขาออกวันทีติมเศ้าแร้งกลยพระเหตุรู้ถึงหน่อยก็ว่าเป็นอยังพราะหัว้แล้วก็ออกจัดมู่จากพวกเป็นนั่งอยู่คนเดียวนะ มันพูดเรื่เห็ุเบื้องต้นเดียวเรีตัดทะลุพูกองเดียวคุณพวดูดตัดทะลุเป็นโมเป็นพวกเด้มันพูดไม่มีจิตศรัทธาไปนั่งมันก็จิตไม่รวมเลยไม่มีความมุ่งหวังไปสู่มรรคผลนิพพานมันก็กิเล็ขวงไหวขวงไหวนั่งไปทาไมนั่งไปทาไมเขานำซ้ำปาบอดบอยากอัดจูอดจินอดักอดนัดอัดนันอดนี่อดเล็ดอดหัวกุกวาไปนั่นจีเล็เถียงเอาเถียงเอาส่วนกิเล็ดอะไรเตะดาจัยจเล็เตะดากอากากนี้ขยายทา แน่นิสัยอย่างนี้เกลี่ยไปเลยเหนือเห น, อเนือโลกเห น, อเนือโลกสมมุติจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจของพระพุทธเจ้าเหนือโลกสมมุติไปแล้วเป็นวิมุตติดูอะไรเป็นวิมุตติไปหมดแล้วไม่มีความคล้องใจอยู่ในโลกไม่มีความห่วงที่จะเกิดอีกในโลกแล้ว นี่แหะตัวใหญ่ๆก็เกิดเรื่องไม่เกิดก็ดูเอาล่ำรวยกับสวยงามกับดูลมหายใจเข้าออกนั่นวิธีจะดับถ้าเห็นลมเลยดูตลอดวันยังเ่ําขึ้นยังรุ่งจะเป็นยังไง ล, ลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายแค่นั้นแต่ไม่ดูไปดูทําไมผมขนเล็บกผนังยังหวงอยู่นั่นแหละมันเป็นภาร ะ, ะเห็นหนังเท่านหนังกับข้าผมข้าผมยงโงผมโยงผมโยง พยายามมาปฏิบัติทำกบตั้งใจปฏิบัติชําระสะสารสักขวักิตใจให้ใสสะอาดรู้จักไหมเครื่องสักขวักจิตใจก็คือสติปัญญาไม่ใช่เอาสบู่สบู่ก็ราคาเท่าไหร่มันฟอกขี้เหลาไม่ออกหรอกตัวปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั่นเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือปัญญาไม่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยความมืดบอดอปัญญาก็รู้ว่าโลกนี่คือ หมูสัตว์มืดบอดอยู่เป็นนิดคล่องอยู่เป็นนิดก็ให้ไปตั้งใจปฏิบัติบ้านมมนได้เช่าเข้ า, มา ไ, ไม่ได้ซื้อถึงเวลาขนขนให้ <c oughs> เอาอยัางไงอีกแล้ดียวตั้คิดแต่ละวันแต่ละวันราคาเท่าไหร่ที่อยู่ที่อาศัยราคาเท่าไหร่ยังไม่เกี่ยวข้องค อ, อยทำตามแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทำตามแนวทางของพระเจ้าเป็นนี่ รายละเอียดนะลนี่เป็นนี่ทางบุญทางกุศลน่ะมันเช่ว่าสรอังวัดสร้างว่าเป็นไส่ไส่บุญเจ็บเอาแหละุ้ทมาทําบุญก็เจเออ็บเอาเจ็บเอาพุทธม้มีบุญก็เป็นนีไปเป็นนี้จะนัยใจลึกๆกันนี่ถ้าขั้งพรุทธการโบราณไป่ถึงพุทธการหรอกไม่นานเท่าไหร <c oughs> ่หลายกว่าปีมานี่วัวกวยไถไร่ไถนา กองจองกองไถยให้ไตหน้าอยู่คน่นี่ยบนมีเครื่องมือเหมือนทุกวันนี่แล้วไถยวัตถิลอบแล้วงานหนึ่งงานวัดตลอดบนนี้ตึงคนต้งคว้ยนั่นแหลงคุ้ยตู่ไถหน้าให้เขาเป็นหนี่เขาพราะนั่นไม่มีศีลธรรม <c oughs> ทำนาบนหลังคนเห็นบไหมมาบนหลังคนก็เริงอยู่แต่มีศีลธรรมคุ้มถ้าไม่มีศีลธรรมไม่คุ้มเลย เหมือนทางโลกนะเนี่ยก็มีทรัพย์สมบัติก็ไปจ่ายไปจ่ายถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นหนี้เขาอยู่ในนั้นนั่นเขามาทําอะไรญาตโยมแรกเอาบุญนั่นแต่ว่าไปทําบุญไปทํำเราผู้ที่มาทําทําบุญกุศลอุทิศถึงกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาให้ผู้ที่เขามาทานหรือเอาบาปให้เขาใครต้องการเราฐานใจตนเองเนี่ยพระเจ้าถึงให้ขยันประหยัด ใชอะไรคํานึงถึงความได้อยากคํานึงถึงความเสียอยารู้เหลืออยาพุ่มเฟื่อยจิ้ทิมจินเสียใส่ทิมใส่เสียราดสำลักจนเหมือนหนึ่งใส่ทีเดียวมืดจ่อยไม่ประจัดไม่คํานึงถึงว่ามาจากไหนควมเป็นมาเพราะฉะนั้นขั้นพุทธการมีแต่พลาดใส่ซกกรกลางไม่ใส่ซกกรป๋กลางเอาไม่สักเอาไม่นั่นทุ่มเหมือนทิมทิมทิมเป็นเศษเป็นเด่น น้ำท่วมก็จะมันทุกที่แล้วอเอากขยะไปตันท่อน้ามาไหลเอ้าท่วมหน่อยซะแน่แล้วเอาละครอะโปลกาเวเนโมโตอาซาปาสันตาปาวเตโตอาซาวา